สมัยหลวงปู่ดุลยังคงแข็งแรงอยู่นะคะซึ่งตอนนั้นก็คิดว่าอายุของท่านนะ่าจะประมาณสัก 50-60 ปีหลวงปู่ก็ได้พาพระหนุ่มๆสองรูปนะคะออกเดินทุดงซึ่งในการเดินทุดงครั้งแรกก็เพื่อพาพระหนุ่มไปหาประสบการณ์นะคะ<ๆ>เกี่ยวกับการเดินทุดงแล้วก็การปฏิบัติธรรมค่ะเดินมาถึงป่าแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ห่างไกลจากหมู่บ้านมากเลยคือในระแวกใกล้เขียงที่ปักกลดนี้ยจะไม่มีคนหรือว่าหมู่บ้านอยู่เลยนะคะ แต่ว่าเมื่อมาได้ที่เหมาะแก่การปฏิบัติศาสนกิจแล้วพระ3มรูปเนี่ยก็ได้ทําการจัดแจงที่พักอาศัยซึ่งก็จะต้องแยกย้ายกันไปตามทิศ ท, ทางต่างๆแล้วก็จะไม่พยายามปักกดใกล้กันนะคะซึ่งเป็นธรรมเนียมของพระป่าผู้สแสวงหาโมฆะธรรมก็จะลดความคลุกคลีเพราะว่านอกจากจะมีกิจที่จะต้องทําร่วมกันเท่านั้นนะคะการปฏิบัติก็เป็นไปตามปกติค่ะแต่แล้วมีอยู่วันหนึง่งพระ พระรูปหนึ่งนะคะที่ไปด้วยกันก็ได้นําเรื่องราวที่ตัวเองได้พบในขณะที่ปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิให้หลวงปู่ฟังนะคะก็ไปเล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อกระผมนั่งสมาธิอยู่นั้นจิตได้สงบนิ่งในขณะนั้นก็เกิดภาพผู้หญิงคนหนึ่งเดินเข้ามาแล้วก็กล่าวกับผมว่าในอดีตชาติที่แล้วนั้นดิฉันกับท่านเป็นสามีภรรยากันมาก่อน และชาตินี้เราทั้งสองก็ได้มีโอกาสได้เจอกันแล้วก็จะขอให้ท่านลาสิกขาแล้วมาอยู่ร่วมกันดังในชาติที่แล้วเถิดและผู้หญิงคนนั้นก็เล่าต่อไปว่าเมื่อชาติที่แล้วเราทั้งสองได้อยู่อาศัยในหมู่บ้านซึ่งอยู่ใกล้กันกับที่ปักกรดนี้และเมื่อเราทั้งสองได้ตายไปก็ได้ฝังศพทั้งสองไว้ที่ใต้ต้นไม้ต้นหนึ่งถ้าท่านไม่เชื่อก็สามารถไปพิสูจน์ได้ ว่าแล้วผู้หญิงคนนั้นก็จากไปโดยลืมบอกไปว่าในขณะที่พระรูปนั้นเจอผู้หญิงนั้นเป็นเวลากลางคืนนะคะเมื่อหลวงปู่ดุลได้ฟังเรื่องราวที่พระหนุ่มนั้นเล่าให้ฟังแล้วหลวงปู่ก็ไม่ได้กล่าวหรือว่าสอนอะไรคือรับฟังอย่างเดียวพอคืนที่2เหตุการณ์ดังกล่าวก็เกิดขึ้นกับพระหนุ่มรูปนั้นอีกนะคะตอนเช้าก็มาเล่าให้หลวงปู่ฟังดังต่อไปนี้ค่ะผู้หญิงคนเดิมมาในคืนแรกก็มาอีกแล้วก็สาธยายเรื่องราวในอดีตชาติที่ ที่เคยเล่าให้ฟังแล้วก็เล่าให้ฟังอีกเพื่อต้องการให้พระหนุ่มรูปนั้นใจอ่อนลาสิขาออกไปครองเป็นสามีภรรยาให้ได้นะคะซึ่งในขณะที่เล่าก็ร้องไห้เสือึกสะอื่นไปด้วยก่อนกลับผู้หญิงคนนั้นก็บอกเพิ่มเติมว่าอีกสองวันข้างหน้าจะม า, าจะมีหนุ่มอีกหมู่บ้านหนึ่งมาสู่ขอตัวเองไปเป็นภรรยาขอให้ท่านรีบพิจารณาเพื่อจะได้ไปสู่ข อ, อก่อนหนุ่มคนนั้นเสียถ้าท่านไม่ลาสิกขาเดียวฉันก็จะไม่ยอมแต่งงานกับหนุ่มคนนั้นเด็ดขาดจะขอยอมตายโดยจะฆ่าตัวตายเสีย คือพูดจบผู้หญิงคนนั้นก็จากไปพร้อมกับน้ำตานะคะแล้วก็ทิ้งความลังเลสงสัยให้กับพระหนุ่มรูปนั้นให้คบคิดว่าตัวเองทำอะไรผิดแล้วก็กำลังเผชิญกับอะไรอยู่และจะทำอย่างไรต่อไปคือเมื่อหลวงปู่ดุลท่านได้ฟังจบนะคะวันนี้ท่านก็อดสงสารลูกศิษย์ไม่ไหวก็เลยแนะนำวิธีการให้พระหนุ่มคนนั้นเนี่ยนำไปปฏิบัตินะคะโดยหลวงปู่ก็ได้บอกว่าฟังนะท่านไปหาฐานฟืนมาสักก้อนหนึ่ง เป็นฐานห่งต้มนะคะแล้วกบ็บทให้ละเอียดและคืนนี้เมื่อผู้หญิงคนนั้นมาอีกท่านตั้งสติให้ดีให้ถอยออกจากชานในระดับที่ละเอียด ซึ่งในขณะที่พระหนุ่มนั้นเจอกับผู้หญิงคนนั้นก็จะอยู่ในภาวะของชานที่ละเอียดก็ให้มันลดลดมาอยู่ในระดับที่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้เมื่อผู้หญิงคนนั้นมาก็ขอให้ท่านใช้นิ้วแตะที่ฐานที่เตรียมไว้แล้วก็ลุกขึ้นไปไป้ายที่หน้าผาของผู้หญิงคนนั้นหลวงปู่ก็เมตตาได้ น, นาพระหนุ่มรูปนั้นแต่เพียงเท่านี้นะคะหลังจากวันนั้นค่ะคืนที่3ผู้หญิงคนนี้ก็เดินทางเข้ามาหาพระหนุ่มคนนั้นอีกพร้อมกับน้ําตาแล้วก็พูดว่าพรุ่งนี้แล้วที่หนุ่มอีกหมู่บ้านหนึ่งจะมาสู ขอตัวเองกับพ่อกับแม่ก็ขอให้ท่านรีบตัดสินใจลาสิขาแล้วก็รีบไปสู่ขอหนุ่มคนนั้นก่อนหนุ่มคนนั้นถ้าท่านไม่ลาสิกขาดิฉันเองก็จะไม่ยอมแต่งงานกับหนุ่มคนนั้นเหมือนกันและจะขอยอมตายไม่ยอมแต่งงานกับใครนอกจากท่านเท่านั้นรักแทหายากมากนะคะคุณผู้ฟังพระหนุ่มรูปนั้นเมื่อเห็นว่าผู้หญิงคนนี้มาอีกก็ตั้งสติแล้วก็ปฏิบัติตามวิธีที่หลวงปู่แนะนาไว้ ก็คือถอยจากชานที่ละเอียดมาอยู่ในระดับที่เคลื่อนไหวไกายอีกกายได้นะคะแต่ว่าก็ยังอยู่ในชานอยู่แล้วก็ใช้นิ้วแตะที่ฐานแล้วค่อยๆลุกขึ้นยืนค่อยๆเดินไปที่ผู้หญิงคนนั้นพอไปถึงตรงหน้าเท่านั้นแหละค่ะท่านก็ทำตามวิธีที่หลวงปู่ดุลได้แนะนำไว้คือก็เอานิ้วที่แตะฐานนั้นป้ายที่หน้าผากผู้หญิงคนนั้นหลังจากที่ป้ายเสร็จนะคะผู้หญิงคนนั้นก็ร้องกรีดหน้าดังลั่นป่าแล้วก็วิ่งหายไปในป่า ก็สร้างความตกตะลึงให้กับพระหนุ่มรูปนั้นเป็นอย่างมากเพราะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะแล้วก็ผู้หญิงคนนั้นทําไมต้องกรีดร้องแล้วก็วิ่งหนีเข้าไปในป่าด้วยคุณผู้ฟังอาจจะสงสัยนะคะเหมือนกันกับพระหนุ่มรูปนั้นก็สงสัยเหมือนกันซึ่งตอนเช้าพระหนุ่มก็ได้นําเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับตัวเองเนี่ยมาเล่าให้หลวงปู่ดุลฟังดังที่เคยกระทํามาแล้วในสองวันที่ผ่านมาเมื่อพระหนุ่มเล่ า, าเล่าเรื่องราวจบนะคะหลวงปู่ก็ยังคงเฉย เมื่อเหมือนกับว่าท่านได้รับรู้เรื่องราวแล้วก็ทราบเรื่องราวนั้นละเอียดแล้วเรียบร้อยจึงไม่ได้ตื่นเต้นกับเรื่องราวที่พระหนุ่มนั้นเล่านะคะเมื่อพระหนุ่มนั้นเล่าจบค่ะคุณผู้ฟังหลวงปู่ก็หยิบฝาบาทส่องไปที่หน้าพระหนุ่มรูปนั้นแล้วก็บอกให้พระหนุ่มนั้นมองไปที่หน้าตัวเองที่อยู่ในฝาบาทคือเมื่อพระหนุ่มรูปนั้นมองไปฝาบาทก็ยิ่งสร้างความตกตะลึงสงสัยให้กับพระหนุ่มรูปนั้นขึ้นอีกนะคะเพราะว่า ที่หน้าผากของตัวเองมีรอยถ่านดําติดอยู่ในหน้าผากดังที่ตัวเองนําไปไป้ายกับผู้หญิงคนนั้นแล้วก็ในคืนที่ผ่านมาแล้วทาไมรอยถ่านจึงมาอยู่ที่หน้าผากของเราได้คุณผู้ฟังก็คงเพิ่มเพิ่มความสงสัยขึ้นมาใช่ไหมคะว่าทําไมอยู่ดีๆรอยถ่านดําจึงมาติดอยู่หน้าผากพระรูปนี้และผู้หญิงคนนั้นคือใครและทําไมรอยถ่านถึงมาติดอยู่ที่หน้าผากพระหนุ่มรูปนั้นได้ขอย้อนไปวันที่2นิดนึงนะคะคือหลังจากคืนที่อ่า คืนที่สองนั้นพระรูปนั้นเนี่ยก็รู้สึกว่าจิตใจเอียงเอ็น อ, อ่อนไหวไปกับคำพูดของหญิงสาวชาวป่าคนนั้นก็เลยทำให้จิตใจเนี่ยกระสับกระสายคิดจลาสิกขาแล้วก็ไปสู่ขอผู้หญิงคนนั้นแต่งงานแต่หลวงปู่ท่านรู้ทันไงคือท่านรู้ทันทั้งหมดเลยแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรได้แต่แนะวิธีการว่าให้นำฐานมาบทละเอียดแล้วก็ใช้นิ้วป้ายแต่ที่หน้าผัก ก็คือแนะนําแค่นี้คือที่จริงแล้วหลวงปู่ดุลเนี่ยท่านรู้นะคะความเป็นไปของสิทธิผู้นี้ตลอดตั้งแต่คืนแรกจนถึงคืนที่3แต่ว่าหลวงปู่ต้องการสอนพระหนุ่มรูปนั้นเฉยๆก็เลยปล่อยให้เหตุการณ์ล่วงเลยไปถึงคืนที่3ตอนเช้าเมื่อพระหนุ่มรูปนี้เนี่ยนำเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะมาเล่าให้ฟงังหลวงปู่ท่านก็เลยหยิบฟ้าบัตรมาส่องที่หน้าของพระหนุ่มพระหนุ่มรูปเห็นหน้าผากตัวเองมีรอยถ่านดําดังที่เคยป้ายผู้หญิงไปเมื่อคือนเนี่ยก็ยิ่งสร้างความตะลึงแล้วก็สงสัยว่า เอ๊ะมาอยู่ที่หน้าของเราได้ยังไงเมื่อหลวงปู่ดุลเห็นว่าพระหนุ่มรูปนั้นสงสยัยจึงได้เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้ลูกศิษย์ฟังค่ะโดยจะขออธิบายเป็นการขยายความให้ฟังก็แล้วกันนะคะคุณผู้ฟังคือสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมันไม่ใช่ของจริงค่ะผู้หญิงที่ท่านเห็นทั้ง3าคืนนั้นก็ไม่มีจริงเพราะว่าป่าป่าที่ปักกลดแห่งนี้เนี่ยเป็นป่าที่ลึกแล้วก็ไกลาจากหมู่บ้านมากค่ะฉะนั้นในละแวกใกล้เคียง จะไม่มีบ้านคนนะคะและที่หลวงปู่ทราบว่าไม่มีบ้านคนเพราะว่าหลวงปู่ท่านเคยทุดดงแล้วก็ปักกรดที่นี่มาแล้วสิ่งที่ท่านเห็นเกิดจากจิตของท่านเองนะคะที่สร้างขึ้นมาหลอกแล้วท่านก็สอนให้พระหนุ่มรูปนั้นเกี่ยวกับจิตของเราซึ่งตรงนี้คุณผู้ฟังหลวงปู่สอนดีมากคื อ, ส อ, อสอนบอกว่าอย่างนี้นะคะหลวงปู่บอกว่าอย่าถือว่าเราเป็นเจ้าของจิตและจิตเป็นเราจิตเป็นของเราเพราะว่าถ้า เราเป็นเจ้าของเราต้องรู้จิตใจของเราดีทั้งหมดแต่นี่ไม่เรายังไม่เข้าใจจิตของเราเองดีพอบางครั้งจะสับสนกับจิตใจของเราว่าทำไมเป็นอย่างนั้นทำไมเป็นอย่างนี้ทั้งนั้งที่ตัวเราเองก็ไม่ได้อยากจะเป็นแต่พอเราอยากให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ทำไมเราไม่เป็นอย่างที่คิดนี่แหละค่ะคุณผู้ฟังเป็นข้อสงสัยที่หลวงปู่ก็ตอบคาถามให้แล้วเรียบร้อยนะคะคือจะบอกว่าหลวงปู่ท่านสอนพระหนุ่มรูปนี้เนี่ยแล้วก็ ในส่วนของการคําสอนการเปรียบเปียนะคะทําให้เข้าใจง่ายมากเลยคือบางท่านนะคะเมื่อได้ฟังเรื่องของพระหนุ่มกับหญิงสาวชาวป่าแล้วบางท่านอาจจะคิดว่าเป็นผู้หญิงจริงๆบางคนก็คิดว่าเป็นผีหรือบางคนก็คิดว่าเป็นวิญญาณบ้างแต่ว่ามีน้อยคนนะคะที่จะคิดว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยเป็นส่วนของจิตใจของพระหนุ่มรูปนั้นที่ถูกปรุงแต่งแล้วก็สร้างรูปขึ้นมาโดยที่เจ้าตัวไม่รู้แล้วก็หลงไปกับสิ่งที่จิตปรุงแต่งขึ้นมาค่ะ และที่เห็นว่าเหมือนจริงทุกอย่างนั้นเพราะว่าเห็นในขณะเข้าฌานซึ่งในขณะจิตละเอียดจนสามารถสร้างสิ่งที่ละเอียดแล้วก็เหมือนจริงได้ซึ่งจุดนี้นะคะคุณผู้ฟังน้าใครเคยสังเกตตัวเองเวลาที่กําลังนั่งสมาธิแล้วเกิดนึกหน้าใครสักคนหนึ่งขึ้นมาที่เรารู้จักเราจะเห็นหน้าคนนั้นอย่างชัดเจนมาก แต่ถ้าเรานั่งธรรมดาแล้วลองนึกภาพใครสักคนหนึ่งภาพก็จะเลือนลางลงจะไม่ค่อยชัดเหมือนตอนนั่งสมาธิและเมื่อเราลืมตาอยู่นะคะลองนึกหน้าใครสักคนหนึ่งภาพที่เห็นต่อหน้าก็เลือนลางเห็นบ้างไม่เห็นบ้างซึ่งจุดนี้เราสามารถเปรียบเทียบกับคนที่นั่งสมาธิจนเข้าฌาญว่าภาพที่เห็นในขณะเข้าฌาญ น, นั้นชัดเจนแล้วก็ละเอียดนะคะยิ่งกว่าที่เรามองเห็นด้วยตาเปล่าอะไรทํานองนั้นนะคะแล้วก็สิ่งต่อมาค่ะคุณผู้ฟังก็คือภาพที่พระหนุ่มนั้นเห็นผู้หญิงที่พระ หนุ่มรุ่มนั้นเห็นเนี่ยคือไม่ใช่ภาพที่เกิดขึ้นจากความตั้งใจนึกแต่ว่าเป็นภาพที่เกิดขึ้นมาลอยๆจนตัวผู้เห็นก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะว่าเกิดจากจิตใจภายในของตัวเองจนหลงเชื่อว่าเป็นความจริงค่ะคือถ้าเกิดว่าเราเชื่อว่าเป็นจริงเหมือนกันเพราะเห็นชัดและผู้หญิงคนนั้นก็อ้างอิงเรื่องราวในอดีตชนิดที่ว่าโอ้โหเราเองต้องเชื่อนะเช่นให้ไปดูกระดูกที่ฝังไว้ใต้ต้นไม้อันเป็นหลักฐานว่าทุกอย่างเป็นเรื่องจริงภาพผู้หญิงคนนั้น นะคะคิดว่าน่าจะเกิดจากจิตใต้สํานึกค่ะคือทุกท่านก็คงจะเข้าใจว่าจิตใต้สํานึกนั้นเป็นอย่างไรแต่ว่าภาพผู้หญิงก็ยังไม่เข้าใจนะว่าทําไมถึงเกิดขึ้นมาได้แต่รู้แต่ว่าเกิดจากจิตแล้วก็จิตใต้สํานึก แต่ทำไมจึงเป็นภาพผู้หญิงตรงนี้เนี่ยครูบาอาจารย์ท่านก็ไม่ได้เล่าให้ฟังเพราะท่านต้องการเน้นให้เห็นถึงความพิสดารและอัศจรรย์ของจิตของคนเรามากกว่านะคะให้รู้ว่าจิตของคนเรานั้นมันมีอะไรให้ศึกษาแล้วก็ค้นคว้าอีกมากมายยังมีอะไรสลับซับซ้อนอีกเยอะนะคะจนเราเองผู้ที่เป็นเจ้าของจิตยังรู้แล้วก็เข้าใจในจิตของตัวเองแบบไม่หมดจดเลยล่ะคะ่ะ